วันนี้ก็จะเล่าเรื่องในหลวงให้ญาติโยมฟังบางท่านอาจจะเคยฟังมาแล้วบางท่านก็อาจจะไม่เคยฟังมีหลายเรื่องหลายมุมเมื่อสามสิบปีก่อนมีรถคันหนึ่งจอดรอไฟแดงอยู่ขณะนั้นก็มีรถตารวจนำขบวนรถของรัฐบนตรีผ่านมาตารวจก็ได้พูดผ่านไซเรนว่านี่เป็นรถนำขบวนของรัฐบนตรีขอยรถ อติดไฟแดงเนี่ยให้หลบไปด้วยแต่รถคันนั้นก็หาได้หลบไม่ตารวจจึงลงจากรถมาหาชายคนที่ขับรถติดไฟแดงอยู่และเรียกให้ชายคนนั้นลงจากรถพอชายผู้นั้นได้ลงจากรถตํารวจได้เห็นชายคนนั้นถึงกับเป็นลมล้มทั้งยืนสร้างความตกใจให้แก่ตํารวจอีกคนที่นั่งอยู่ในรถต้วิ่งลงมาดูพร้อมกับรัฐบนตรีพอตํารวจและรัฐบนตรีมาถึง แลได้เห็นชายดังกล่าวทั้งตำรวจและรัฐบนตตีได้นั่งลงไปกับพื้นทันทีเสมือนว่าขาทั้งสองข้างเนี่ยได้อ่อนแรงลงไปและได้เงยหน้ามองดูชายซึ่งยืนอยู่ข้างหน้าด้วยอาการตัวสั่นชายคนนั้นที่ทั้งคู่ได้เห็นเป็นชายที่มีรูปอยู่บนธนบัตรคือในหลวงองค์ปัจจุบันนั่นเองในหลวงตัดถามรัฐบนตรีและตำรวจที่ติดตามว่า พวกท่านจะรีบไปไหนหรือถึงกับจะต้องผ่าไฟแดงข้าพเจ้ายังรองติดไฟแดงได้เลยรัฐ บ, บนตีไม่ตอบได้แต่นั่งตัวสัน่นและกลับลงบทบาทและในหลวงก็ได้สรงขึ้นรถตำรวจที่นำขบวนขออาสาจะขับรถให้พระองค์แต่ในหลวงก็ตัดว่าเราไม่ต้องการให้ท่านนำขบวนรถเราหลอกเราขับไปคนเดียวได้ท่านนารถของท่านรัฐ บ, บนตีไปเถอะ องในหลวงท่านใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ถ, ถึงจะเป็นผ้ามหากาศย์แต่ก็ทรงเคารพระเบียบวินยัยและกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามพระองค์ก็เกรงใจประชาชนบางครั้งพระองค์จะเสด็จก็จะเลือกเวลาที่มีการจราจรติดขัดน้อยที่สุดอย่างเช่นตอนที่อยู่ลงบันสีล่าแต่บางครั้งก็ได้ยินข่าวบางครั้งพระองค์ก็เสด็จตอนเที่ยงคืนบ้างตี1นึ่ตีสองบ้าง ถ้าเสด็จกลางวันก็ต้องปิดถนนการจราจรก็ติดขัดคือพระองค์ไปห่วงประชาชนบางครั้งก็ไม่ได้ถือพระองค์เลยมีเรื่องเล่าว่าสมัยหนึ่งองค์ในหลวงได้ไปกราบหลวงปู่ขาวที่วัดธรมกองเพลนช่วงนั้นหลวงปู่ขาวก็ไม่เคยเห็นในหลวงมาก่อนหลวงปู่ชอบที่เป็นเพื่อสาธรมมิกก็ได้มาเยี่ยมหลวงปู่ขาวที่วัดธรกงเพลนทางบ้านเมืองส่งข่าวให้กับทางวัดให้เตรียมตัวรับเสด็จหลวงปู่ชอบทราบว่าในหลวงจะเสด็จมาที่นี่ก็เตรียมหนีทันที หลวงปู่ขาวจึงบ่นเช่นการว่าไม่ทราบจะพูดด้วยอย่างไรและขอให้หลวงปู่ชอบอยู่เป็นเพื่อนกันหลวงปู่ชอบจะไปให้ได้หลวงปู่ขาวต้องอ้อนวอนจนสุดท้ายหลวงปู่ชอบก็ใจอ่อนยอมอยู่ด้วยโดยไปที่เข้าใจว่าถ้าจะต้องไม่พูดอะไรเลยและหลวงปู่ขาวก็ต้องไม่พูดอะไรเหมือนกันโดยทางบ้านเมืองจะจัดการให้ขั้นถึงวันที่ในหลวงจะเสด็จทั้งสองหลวงปู่ก็คลองจีวร อ, อย่างเรียบร้อยรออยู่จนเย็นท่านกระบนว่าไม่เห็นมา ให้รออยู่นั่นสิไม่เห็นมามีแต่ทหารสองพ่อลูกมาคุยกันอยู่ต้องนานหลวงปู่ทั้งสองหัวเลาะ ก, กันเมื่อแพนเอเนเชอร์ชี้แจงว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จมาถึงแล้วพร้อมกับฟ้าชายที่หลวงปู่ว่าทหารสองคนพ่อลูกนั่นแหละนี่เป็นเรื่องเล่ากันมาแล้วก็มีคนไปถามหลวงปู่ขาวว่าทําไมหลวงปู่ไม่รู้จักพระเจ้าอยู่หัวและฟ้าชายหลวงปู่เขาทั้งตอบว่าไม่เห็นมีขบวนแห่มีคนไปถามหลวงปู่ชอบ ด้วยคถามเดียวกันหลวงปู่ชอบถ้ายิ้มยิ้มอายตอบว่านึกว่าจะใส่ชดาป่าสมัยก่อนถ้าก็อยู่ในป่าบางครั้งก็ไม่ค่อยรู้เรื่องโลกภายนอกสมัยก่อนบ้านเมืองยังไม่เจริญเหมือนสมัยนี้การค ม, มานาคมก็ไม่สะดวกไปไหนมาไหนพระป่าก็สายเดินเส้เป็นส่วนใหญ่พระป่าสายลูกปบูมั่นชอบปีกวิเวกชอบอยู่ในที่สารที่สงบที่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้หลวง ป, ปู่ขาวไม่รู้จัก อ, องค์ในหลวง อีกเรื่องหนึ่งที่มีความบระทับใจคือเรื่องเล่าของหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่ีอยู่ครั้ ง, นงหนึ่งหลวงพ่อคูณท่านนาเงิน72ล้านตั้งใจจะถวายให้องค์ในหลวงเนื่องในเนื่องในวันครบ72ภสพรรษาแต่ก่อนที่หลวงพ่อคูณจะพบในหลวงก็ได้พบกับสมเด็จพระเทพก่อนซึ่งตอนนั้นก็มีข้าราช ก, การเตรียมคาพูดคาสอนคำราชารศ์มากมาย จนกระทั่งพระเทพสเสด็จมาหาหลวงพ่อคูณแล้วก็ทรงถามอะไรมากมายแต่หลวงพ่อคูณไม่ได้ตอบอะไรจนในที่สุดพระเทพทรงถามว่าทำไมหลวงพ่อไม่พูดอะไรกับหนูล ะ, ละคะหลวงพ่อคูณก็ชี้มือไปที่นายเอเภอแล้วบอกว่าก็ไอ้นี่มันไม่ให้กูพูดข่าว่ากูกับมึงพระเทพได้ยินดังนั้นก็ขำจนน้ำตาซึมถึงวันในหลวงเสด็จมา เหล่าบดาสสสวสจอำเภอก็น่าแยแยไปตามกันเพราะกลัวว่าหลวงพ่อคูณจะพูดกูมึงกับนายหลวงหลวงพ่อคูณก็บอกว่ากูเคยเรียนภาษาไทยอะไรรูน่ะไปตะห่วงด็อกไอไนขั้นได้หลวงเสร็จมาแล้วพกกับหลวงพ่อคูณจนองค์นายหลวงเสร็จกลับไปแล้วก็มีคนไปถามไปถามหลวงพ่อคูณว่าได้พูดอะไรกับนายหลวง คำแรกที่หลวงพ่อคูณพูดก็คือมึงรู้ไหมมือพระ อ, องค์เนี่ยเป็นมือคนทางานอย่างกับชาวนาชาวไร่แข็งกระด้างมากๆแล้วหลวงพ่อใช้คําอะไรคุยกับองค์ในหลวงหลวงพ่อคูณเงียบแล้วพูดขึ้นว่าพระองค์พูดประโยคแรกว่าหลวงพ่อครับพูดตามบติตปกตินะครับผมเป็นคนไทยเรื่องหลวงพ่อคูณก็จบลงแค่นี้หลวงพ่อคูณท่านคงไม่ได้พูดกูมือกับองค์ในหลวง มีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งคล้ายๆหลวงพ่อคูณคือองค์ในหลวงเคยเสด็จไปที่วัดมัชีบาวาดจังหวัดอุดรวัดของหลวงปู่ดีเนาะหลวงปู่ผูมองโลกในแง่ดีหลวงปู่ดีเนาะเนี่ยท่านจะชอบอุทาออกมาว่าดีเนาะเสมอจนติดปากอะไรเกิดขึ้นท่านก็จะดีเนาะดีเนาะญาติโยมกลัวว่าหลวงปู่เนี่ยจะหลงพูดคําว่าดีเนาะกับกับพระเจ้าอยู่หัวจึงกำชับหลวงปู่ว่าไม่ให้หลวงปู่พูดอะไร ให้นั่งยิ้มๆเฉยๆไว้ก็พอขั้นในหลวงได้พูด ค, คุยกับหลวงปู่หลวงปู่ก็ไม่ตอบนั่งนิ่งและยิ้มเฉยๆจนในหลวงเกรงว่าหลวงปู่จะไม่เข้าใจคําถามจึงให้ข้าราชบริพารที่มาด้วยถามหลวงหลวงปู่ด้วยภาษาอีสานอีกครั้งคําแรกที่หลวงปู่ดีนะตอบดีเนะหลวงดีนะมหาบาพิษเขาบอกให้เฮาเวา้าเขายัน่น ว่าเราจะพูดบะมวนดีนะหลวงด้วยคำว่าดีนะหลวงนี่แหละเป็นต้นเหตุให้หลวงปู่ได้ฉายาและพระพระัชทา น, านามว่าพระเทพวิสุทธิธาจารย์สาธูทานธรรมวาทีแต่ว่าผู้มีวิวัยอาจารย์เฮลาะเป็นที่สุดเรื่องหลวงปูด่ดีนอนเนี่ยอาตมานำมาเล่าบ่อยโยมที่วัดเนี่ยฟังหลายครั้งแล้วจึงไม่ขอเล่าในที่นี้กลัวโยมเบื่อ ทุกวันนี้อาณาจักใช้ธรรมะของท่านเนี่ยทุกวันเกิด อ, อะไรที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นรออะไรนานก็ดีเนาะฝนตกหนักก็ดีเนาะฝนแรงอากาศร้อนก็ดีเนาะอากาศหนาวก็ดีเนาะยุงมแมลงต่างๆรบกวนหรือถูกคนขัดใจก็ดีเนาะธรรมะของหลวงปู่ดิน่นเนี่ยใช้ได้ทุกสถานการณ์ทาให้เราเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีได้ มีข้อคิดและธรรมะดีๆขององค์ในหลวงหลายเรื่องก็จะนำมาอ่านให้ญาติโยมฟังเพื่อไปกำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวันสติคือความรู้สึกระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นสำคัญมากที่จะช่วยให้บุคคลหยุดคิดพิจารณาก่อนที่จะพูดจะทำหรือแม้จะคิดอ่านในเรื่องใดๆอีกข้อหนึ่งที่จะช่วยให้ระลึกได้คิดอ่านได้ถูกจุดถูกต้อง ก็คือจิตใจที่ตั้งมั่นและหนักแน่นเป็นกลางเพราะไม่มีอคติสองสิ่งนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญที่สุดของการศึกษาดีมีหน้าที่สูงที่จะต้องเป็นบุคคลชั้นนำในอง์การต่างๆทั้งในปัจจุบันและอนาคตการทำฟั่มดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวการปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้ยืนบนขาของตัวเองไม่ต้องไปยืมขาของคนอื่นมาใช้สําหรับยืนคนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้จะต้องให้ด้วยบุคคลใดขาดฮิลิโอตปะ คือไม่มีความละอายต่อบาปก็จะทําให้สังคมเดือดร้อนการคิดจะคิดให้วัฒนะคือคิดแล้วทําให้เจริญงอกงามก็ได้จะให้ไหชนะคือคิดแล้วทําให้พี่น้าชิบหายก็ได้ในการดําเนินชีวิตของเราเราต้องข่มใจไม่กระทํำสิ่ง ใ, ใดๆที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อมเราต้องฝืนต้องต่อต้านความคิด และความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะเราต้องกล้าและบักบันที่จะกระทาสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้องและเป็นธรรมก็จะช่วยค้้มจูนส่วนรวมไว้ไม่ให้เสื่อมลงไปข้อคิดขององค์ในหลวงที่อาจมาอ่านแล้วรู้สึกประทับใจและโดนใจก็คือคำสอนเรื่องการพูดขององค์ในหลวงมีสิข้อข้อที่หนึ่งหนึ่งเรื่องด่วน พูดให้ช้าๆ 2. เรื่องใหญ่พูดให้ชัดๆ 3. เรื่องเล็กพูดให้มีอารมณ์ขัน 4. เรื่องไม่มีความมั่นใจทบทวนให้ดีค่อยพูด 5. เรื่องยังไม่เกิดอย่าพูดส่งเดช 6. เรื่องที่ทำไม่ได้อย่าพูดอย่างมักง่าย 7. เรื่องให้ร้ายอย่าได้พูด 8. เรื่องลำบากใจมุ่งที่เรื่อง ไม่มุ่งคน9เรื่องสนุกต้องดูการเทสะ10เรื่องเศร้าอยากได้เจอใครก็พูดเอเรื่องคนอื่นพูดอย่างระมัดระวังสิบสองเรื่องตนเองตั้งใจฟังใจเราพูดอย่างไรสิบสามเรื่องปัจจุบันทำแล้วค่อยพูดสิบสี่เรื่องอนาคตไว้พูดในอนาคต อ่านมาอ่านแล้วรู้สึกซึ้งใจเราจะฝึกตนเองคําสอนขององค์ได๋หลวงมีประโยชน์มากคนที่คนที่ไม่ค่อยมีกําลังใจจิตใจ อ, อ่อนแอพออ่านหรือฟังข้อคิดจากองค์ได๋หลวงเนี่ยก็จะเกิดกําลังใจถ้าทําตามด้วยก็จะทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จได้องค์ได๋หลวงก็เป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนชาวไทยมานานความดีที่พระองค์ทําไว้เนี่ยพูดไปถึงช่วลูกช่วหลานก็ไม่หมดช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ ประชาชนชาวไทยร่วมกันไว้อาลัยองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั่วประเทศมีแต่คนแต่งชุดขาวชุดดำกันไปที่ไหนบรรยากาศก็จะไม่มีความรื่นเริงไปหลวงพระองค์มีคนรักมากมีคนไปนร่วมงานมากมายตอนนี้วัดทั่วประเทศไทยก็มีการจัดให้สวดอภิธรรมเพื่ออุทิศสิรุศล ให้แก่องค์ในหลวงไปเวลาหนึ่งเดือนที่วัดป่าสุกโตก็ได้รวบสวดสวดอภิธรรมด้วยเห็นว่าตั้งแต่ที่อา r ม m พูดตอนต้นเนี่ยเรื่องที่องค์ในหลวงขับรถโดยพระ อ, องค์เองแบบไม่มีขบวนเสด็จและรอไฟแดงจนถึงเสด็จไปหาหลวงปู่ขาวที่วัดท่ากองเพนหลวงพ่อคูนหลวงปู่ดีเนาะและข้อคิดธรรมต่างๆที่อารมานำมาอ่านให้ฟัง จะเห็นได้ว่าพระ อ, องค์เนี่ยมีชีวิตที่เรียบง่ายเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชนได้ทำตามข้อคิดและธรรมะขององค์ในหลวงจะมีอีกมากอธิมาก็หามาให้าติโยมฟังแค่นี้ก่อนเห็นว่าพูดมาก็สมควรกับเวลาก็ขอข อ, ขอความสุขความเจริญธรรมจงมีแก่จติธรรมยิ่งขึ้นไปเอวัง